อีกสูตรหนึ่งว่าพาหันอกุศลให้ผลเนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพิสูรรูปหนึ่งนั่งคูบลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าอดกลั้นทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนเป็นทุกขเวทนาที่เป็นผลของกรรมเก่า ท่านนี้ก็มีสติมีสัมปชัญญะไม่ท่านเพลึงอยู่นะสติตั้งมั่นเลยนะแต่ปวดมากทุกขเวทนานี้มีกําลังมากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นนั่งคูบาลังตั้งกายตรงอยู่ในที่ไม่ไกลอดกลั้นทุกขเวทนาอันกล้าเผิดร้อนซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเก่ามีสติสัมปชัญญะไม่พ่านเพลิงอยู่พระองค์ทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ภิกษุละกรรมได้หมดแล้วกรรมจัดกรรมเป็นดังธุลีที่ตนทำไว้ก่อนในก่อนไม่มีการยึดถือว่าเป็นของเราดารงมั่นคงที่ประโยชน์ที่จะกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงนายาเพื่อเราไม่มีนะาทันไม่ไม่ได้สนใจนะในเรื่องยูกยาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าท่านผู้รูภาษาหนึ่งบอกเบื่อนายฝีตัวนี้เต็มทีแล้วว่ากัน ก็มองเห็นกายนี้เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศ้อนเนี่ยนะท่านก็เบื่อมากประวัติของพาาระอรหันต์รูปนี้มีว่าท่านนั้นเป็นกุลบุตรคือลูกของผู้มีตระกูลชาวกรุงราชครึกอันพระมหาโมคคลานะให้สังเวชก็แสดงว่าเป็นลูกศิษย์ของพระมหาโมคคลานะเห็นโทษในการเวียนว่ายตายเกิดในขันธาตุอายตนะในวะตะัตฏะก็เลยบวชในสำนักของพระพุทธเจ้า บวชแล้วก็ชําระศีลให้หมดจดรักษาจตุปาริสุทธิ์ศีลเป็นอย่างดีเรียนกรรมฐานที่ประกอบด้วยอริ ย, ยสัจสัจกรรมฐานนะนะเพราะการเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนที่ถูกต้องก็เป็นกรรมฐานเพื่อแทงตลอดอริยสัจ ท, ท่านบวชอยู่ไม่นานนักบําเพ็ญวิปัสสนาธุระก็บรรุอริยสัจเป็นผ้ารหันเนีนะแงตลอดอริยสัจบรรลุเป็นผ้ารหารออรรันาหาภายหลังท่านเกิดอาพาธอย่างแรงกล้ า, านะก็อย่างว่านะก็ สิ่งที่เป็นไปกก่กายนี้ก็คือชราพยาธิเนี่ยนะยังไงก็แก่แล้วก็ป่วยก็ป่วยเข้าท่านก็ยับยั้งอยู่ด้วยการพิจารณายับยั้งความเจ็บป่วยเนี่ยนะไม่กระสับกระส่ายทนทุกข์ด้วยเจริญปัญญาพิจารณาความเจ็บป่วยนั้นแหละจึงอยู่ธรรมดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์ทางใจมีแต่ความทุกข์ทางร่างกายวันหนึ่งเมื่อพระาศาสดากาลังแสดงธรรมท่านก็อดกั้นทุก นั่งสมาธิอยู่ในที่ไม่ไกลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านก็นั่งกายตรงเนี่ยนะกระดูกสันหลังทั้ง18ข้อก็จดให้ตรงเมื่อท่านนั่งอย่างนี้หนังเนื้อเอ็นไม่ตึงเนะี่ยนะจึงได้นั่งอย่างนั้นได้นานแต่ขนาดนั้นก็ปุราณะกรรมวิปากชังแปลว่ากรรมที่วิบากที่ที่เป็นผลของกรรมเนี่ยนะที่ทำไว้ในชาติก่อนแสดงว่าชาติก่อนนี่เบียดเบียนสัตว์ไม่มากนะ เจตนาที่เป็นเหตุเบียดเบียนสัตว์ไว้ในอดีตก็เลยมาให้ผลนะไปโบยไปเขียนไปตีไปทุบสัตว์อื่นเหตุอันนั้นที่เคยทำไว้เวลากรรมเหล่านั้นมันให้ผลก็เนี่ยเจ็บปวดอย่างนี้แหละขนาดกรรมเนี่ยนะแม้แต่เป็นผ่าหันแล้วก็ไม่ได้เลิกรานะไม่ทิ้งอะ่ะนะไม่ไม่ยอมเลิกราขอให้มีขันห้าเถอะขันห้าเป็นที่เสเวยผลบุญและผลบาปถ้าถ้ายังมีขันห้าอยู่ อยากคิดนะว่าจะพ้นจากกรรมนะพระโมคคัลลานะถูกทุบ ก, ก, กระดูกปนหมดนะเพราะอะไรก็เพราะนั่นส่วนที่เป็นผลของกรรมเก่าอีกอย่างหนึ่งเกิดโดยความเป็นส่วนหนึ่งแห่งกรรมเมื่อเมื่อวิบากของกรรมเกา่าซึ่งมีอาการเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดเป็นวิปากวัตข้อนั้นคืออะไรก็คือตัวความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดนะที่เกิดจากการสเสวยผลแห่ง กรรมเก่าเนี่ยนะกรรมเก่าเป็นปัจจัยให้ได้รับความทุกข์กรรมเก่าเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นเหมืะนั้นคําว่าปุราณะกรรมมัวิปากชังนี้ท่านแสดงถึงอาพาธนั้นมีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยนะมีกรรมเป็นปัจจัยคือไอตัวความเจ็บป่วยเนี่ยนะเกิดจากหลายสมุทฐานใช่ไหมอาพาธบางอย่างเกิดจากฤดูเป็นสมุทฐาน บางอย่างเกิดจากอิริยาบถเป็นสมุธฐานบางอย่างเกิดจากอาหารเป็นสมุธฐานบางอย่างเกิดจากความเพียรเกินไปเป็นสมุธฐานดังนั้นสมุธฐานที่เป็นเหตุแห่งอาพาธเนี่ยมีเยอะแต่ในนี้นี่หนึ่งก็คือกรรมเป็นสมุธฐานโรคทั้งหมดเราประโยน์ให้กรรมเก่าทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างเกิดจากอาหารบางอย่างเกิดจากอุตุแปเปลี่ยนบางอย่างเกิดจากการบริหารอิริยาบถไม่สม่ำเสมอบางอย่างก็เกิดจากความเพียรมากเกินไปเป็นต้นเนี่ย มันจะไปโยนให้กรรมหมดไม่ได้แต่เฉพาะกรณีของพระพิสูุรูปเนี่ยเป็นความทุกข์ที่มีกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะนะความทุกข์ที่มีกรรมมีอกุศลกรรมในอดีตเนี่ยเป็นปัใจจัยให้เสวยวิบากคือความทุกข์อันนี้ก็เลยเจ็บปวดมากเป็นความเจ็บปวดที่เรียกว่าปุตุชนเนี่ยนั่งไม่ได้แบบนั้นหรอกนิ่งอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าเป็นปุตุชนเนี่ยสงสัยเนี่ยกระวนกระวายกระสับกระส่ายดิ้นอยู่นั่นแหละ ติดปังเนี่ยแปลเป็นทุกข์ที่แรงกล้าเป็นทุกข์หนักเพราะถูกครอบงำเนี่ยเป็นทุกข์ที่กล้าแข็งไม่สําราญยับยั้งแสดงว่าไม่มียาแก้เจ็บปวดไม่มีภารายาแก้ปวดแก้ไข้แก้อะไรไม่มีะนะว่าโรคไอถ้าไอความทุกข์บางอย่างนี่พารายังเอาไม่อยู่ใช่ไหมต้องยาที่มันแรงแรงแรงกว่านั้นนี่อันนี้เป็นทุกข์ที่เรียกว่าปูตชนเนี่ยอดกั้นไม่ได้มันทุกข์มากะนะแสดงว่าเป็นโรคกล่มโรคลึกๆเข้าไปเป็นโรคกลุ่มกระดูกเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าเจ็บปวดมาก ท่านก็มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมีสติกับมีสัมปชัญญะเพราะอำนาจของสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนดเวทนาพิจารณาเวทนาว่าธรรมดาเวทนานี้ไม่เที่ยงเพราะว่ามีแล้วก็กลับไม่มีเวทนานี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปณนะเพราะอาศัยอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเกิดขึ้น เวทนาเนี่ยธรรมชาติของมันเองเนี่ยนะก่อนหน้านี้เวทนาอันนี้เกิดไหมไม่เกิดจากไม่เกิดแล้วมาเกิดขึ้นทีนี้ทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะหมดไปนะตัวความทุกข์นะถ้ามันยังอยู่นี่ทุกขจริงๆเลยนะแต่ถ้ามหมดแล้วสบายความสุขเนี่ยเป็นสุขเมื่อตั้งอยู่แต่ถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปก็เป็นเป็นทุกข์นะนะจากความสุขที่เคยมีอยู่ความสุขหมดไปก็กลายเป็น ความทุกข์ความทุกข์ที่ไม่เคยมีเนี่ยมันเป็นสุขใช่ไหมแต่พอความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเป็นทุกข์จริงๆก็รออย่างเดียวเมื่ อ, อไรไอ้ความทุกข์อันนี้จะผ่านไปจะได้เป็นเป็นสุขเนี่ยนะก็มีอะไรขันห้าเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขและทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขสุขทุกข์สลับเคล้ากันไปอยู่นั่นแหละเพราะรูปเป็นที่อาศัยแห่งสุขและเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์อันเนะี รูปที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขรูปที่ไม่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สมมติว่าความเจ็บป่วยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมความไม่เจ็บป่วยเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเนี่ยนะโพธภารมที่ไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์โพธภารมที่ดีก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขเพราะนั้นอาศัยอารมณ์นี่แหละจึงเกิดความสุขและความทุกข์อารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่ตัวจิตนะคือสิ่งที่จิตรับรู้นะอย่างเช่นว่า สีแบบนี้เห็นปั๊บรู้เลยว่าต้องดีใจใช่ไหมเออคนนี้เห็นเนี่ยต้องดีใจเนี่ยคนนี้เห็นต้องเสียใจคํานี้นะคนนี้ได้ยินเขาต้องดีใจคํานี้คนนี้ได้ยินต้องเสียใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งที่จิตรับรู้เป็นที่ตั้งแห่งสุขและเป็นที่ตั้งแห่งทุกเนี่ยนะสิ่งอารมณ์ทั้งหลายในโลกนะรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งสุขเป็นที่ตั้งแห่งทุกขรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะที่ดีๆเป็นที่ตั้งแห่งความสุขที่เลวร้าย เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นะเพราะเวทนาสุขทุกข์นี่เป็นสิ่งที่อาศัยรูปเสียงเปลี่ยนรสโผฏภะนี่เกิดขึ้นถ้าพระพิสูรรูปนี้ก็อาศัยโผฏฐพารลมนี่เกิดขึ้นโผฏฐะที่อยู่ในร่างกายปฐวีโผฏฐพารลมเนี่ยนะความแข็งกระด้างของของรูปทั้งหลายนี่ก็เป็นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความเร่าร้อนภายในก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือลมที่เสียดแทงภายในก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ยนะเพราะ ดินน้ำไฟลมตัวนั้นเน่เป็นตัวปัจจัยที่สำคัญให้เกิดความทุกข์ในร่างกายความทุกข์อ น, นั้นจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยนี้จึงเกิดขึ้นได้แต่ก็อย่างว่านะเวทนาเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่สิ้นไปถ้ารูปสิ้นเวทนาก็สิ้นนะนะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เสื่อมไปเพราะถ้ารูปเสื่อมเวทนาก็เสื่อมไป นนะเป็นสิ่งที่คลายไปเนี่ยนะคลายไปจางไปแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพราะมีการเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปโดยส่วนเดียวนนะเวทนาเนี่ยก็เป็นธรรมชาติที่อะไรเวทนาเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับต่อมน้ำใช่เหมือนกับตอมน้าถ้าฝนตกลงมาใส่ผิวน้ำานี่ยนะต่อมน้ำก็จะผุดขึ้นผุดตกหนึ่งครั้งมาหนึ่งเม็ด เม็ดต่ำน้ําก็ผุดฉันใดถ้ากายกับโพธาภะกระทบการกายยวิญญาณเกิดเวทนาก็เกิดมันก็เล็กๆน้อยๆสั้นๆนั่นแหละแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องมันก็เหมือนกับว่ามันพองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับผุพองนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดเหมือนกับเป็นโรคผุพองที่เจ็บปวดอยู่ตลอดนั่นแหะมันปวดหัวก็เหมือนกับพองที่หัวใช่ไหมนะเวทนาขันมันพองแถวนั้นนะก็เลยทุกแถวนั้นเกิดที่ใดมันก็ทุกที่นั่นแหะในร่างกายเนี่ย กายตรงไหนบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดก็คือเส้นผมเส้นผมหนังที่ตายไปแล้วปลายเล็บเนี่ยนะก็พวกนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดแต่โดยมากที่เหลือเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดเกือบทั่วร่างกายเกือบทั่วร่างกายเนี่ยนะนก็เจ็บปวดทั้งทั้งก็มีสติสัมปชัญญะพิจารณารูปขันพิจารณาเวทนาขันอนนะก็คือพิจารณาขันห้าด้วยสติสัมปชัญญะ อันนะั้คือจิตใจของท่านอยู่เหนือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันห้าครอบงำใจท่านไม่ได้ใจของท่านเนี่ยครอบงำขันห้าได้ท่านมอีอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามท่านมีกําลังคือปัญสติสัมปชัญญะพิจารณาสิ่งนั้นได้ไม่ถูกสิ่งนั้นครอบงำ น, นะไม่ใช่ป่วยนะก็ครางคลางว่าไงไม่ใช่อิงอิงอ่ะ น, นะอันนั้นมันลูกหมา น, นะ คำว่าชื่อว่าสโตเนี่ยนะที่แปลว่ามีสติมีสติหมายว่าเพราะเป็นผู้กระทาสติโดยกําหนดเวทนาเป็นอนิจจตาความไม่เที่ยงนะว่าเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปลวนไปเป็นธรรมดาชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะเพราะแทงตลอดสภาวะที่ไม่แปรผัน คือปัญญาของท่านที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอารมณ์ใดๆก็ตามที่ปรากฏในขณะนั้นเนี่ยปัญญาของ th t t an ang, ท่านแทงตลอดสิ่งนั้นอย่างทะลุปรุกปลงนะสติก็เป็นไปกับอนุปัสนาเจปัญญาก็แ an ทงตลอดสิ่งนั้นอย่างทะลุปลุกปลงหมดเลยเรียกว่าเป็นผู้มีสติอั้นผู้มีสติเพราะสติเนี่ยตั้งขึ้นในกายเวทนาจิตธรรมสติตั้งในกายว่าเป็นอสุภะตั้งในเวทนาว่าเป็นทุกตั้งในจิตว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง สติที่ตั้งอยู่ในธรรมว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้มีสติพัยบู์สติประฐานสี่ที่ท่านเจริญมาจนภัยบู์บริบูร์เต็มเปี่ยมเป็นผู้มีสัมปชัญญะกำหนดสังขารโดยถึงความภัยบู์ด้วยปัญญาท่านมีปัญญาที่พัยบูนเนี่ยนะแทงตลอดอด้วยอำนาจของอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยบทว่าอาวิหันยมาโนความว่า ไม่เดือดร้อนอ น, นะท่านถึงท่านจะเจ็บปวดป่วยขนาดนั้นท่านก็ไม่เดือดร้อนเหมือนอันทปุตุชนปุตุชนคนมืดคนบอดที่ไม่ได้เจริญวิปัสนาหรือคนมืดคนบอดที่ไม่มีสมถาวิปัสนาไม่มีกรรมฐานอะไรเลยเคยเห็นไหมคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะป่วยเกือบตายเนี่ยเป็นยังไงพระองค์ตรัสว่าพิสูจ์ทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับอันทุกขธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนนะรับปัญหาที่มันเดือดร้อนเนี่ยนะ ก็เศร้าโศกลำบากร่ำไรคร่ำครวญตีอกถึงความหลงงมงายแต่ว่าพระอรหันต์ทำไม่ให้ท่านไม่ทุกทางใจเกิดขึ้นความทุกทางใจเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์เพราะท่านถอนความทุกเหล่านั้นด้วยอริยมรรคนั่นเองนะนะอนุภาพของอริยมรรคท่านกำจัดความทุกเหล่านั้นออกไป ท่านเนี่ยนั่งอดกลั้นทุกข์ในร่างกายที่เกิดจากวิบากของกรรมอย่างเดียวเหมือนอย่างบุคคลนั่งเข้าพระสมาบัติแต่จริงๆท่านไม่เข้าสมาบัตินะท่านรู้น่ะว่าความเจ็บปวดเป็นยังไงก็ปัญญาพิจารณาความเจ็บปวดอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้านี่ก็ทราบทราบถึงที่พระพิสุที่เป็นพระอารหันเนี่ยนะไม่ถูกโลกธรรมฉาบทา ปกติปุถุชนทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะเมื่อรับความสุขก็ดีใจใช่เพลิสบายถ้ารับความทุกข์เมื่อไหร่ก็เสียใจเศร้าใจลําบากใจหงุดหงิดเครียดเป็นต้นพระอรหันต์ไม่เป็นอย่างนั้นจะรับสุขรับทุกข์อย่างใดใจของท่านก็เสมอกันไม่รู้สึกว่ามันต่างกันในความเห็นของท่านะนะไม่ต่างกันเพราะ ท่านไม่ถูกโรคกระทำฉาบทาเมื่อโลกกระทำไม่ฉาบทาแบบนั้นท่านก็ไม่ได้ขวนขวายเพื่อให้หมอเยียวยารักษาโรคเกิไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรรอเดี๋ยวข้างหน้าจะบอกว่าพระ้าหันเนี่ยเป็นกระตายเนี่ยท่านว่ามันมีค่าเท่ากันเนี่ยนะเป็นกระตายเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ต่างอะไรกันแต่ท่านจะรอความตายเหมือนคนที่ทํางานเสร็จรอรับค่าจ้างสาธุค่าจ้างอย่าเพิ่งรีบมาเลยอย่างนี้มีไหม ไม่มีอย่างนั้นหรอกเนาะบทว่าสัพพะกรรมมชหัสสะได้แก่ผู้ละกรรมทั้งหมดได้แล้วจึงอยู่จําเดิมแต่อรหัตมรรคของพระารหันเนี่ยเกิดขึ้นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งปวงชื่อว่าพระารหันละได้แล้วเพราะกรรมเหล่านั้นไม่สามารถนําไปสู่ปฏิสนธิได้พระารหันเนี่ยคือสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานเมื่อตัณหาดับอุปาทานก็ดับเมื่ออุปาทานดับ กรรมมพบก็ดับเมื่อกรรมมพบดับชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกโธมนัสและอุปายาตก็ดับเพราะฉะนั้นอรหันตมรรคยามที่กําจัดตันหาได้นั้นแหละเรียกว่าความสิ้นไปแห่งกรรมพระภิกสุนั้นเนี่ยนะเมื่อถูกทุกขเวทนิยกรรมกรรมที่ที่เจือด้วยกิเลสในอดีตเนี่ยนะเพราะในอดีตก่อนที่จะเป็นพระอารหรันตในอดีตชาติเป็นต้นก็ยังมีกิเลสนะี เมื่อมีกิเลสก็มีราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะก็เป็นเหตุให้ทําชั่วทางกายวาจาและใจความชั่วทางกายวาจาใจที่มีราคะโทสะเป็นเหตุนั่นแหละคือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนะอะไรก็ตามที่มีโลความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุให้คิดให้พูดให้ทํำคำที่พูดสิ่งที่คิดพฤติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นอกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์อย่าง น, น เพราะตอนนั้นเจือด้วยกิเลสราะไอกรรมที่เคยทำํำไวในอดีตที่ประกอบด้วยกิเลสอันนั้นแหละเคยทำํำไวก่อนเป็นผ้ารหารถึงตอนหลังบรรลุปเป็นพผ้ารหารกรรมเหล่านั้นลืมไหมไม่ลืมพระพุทธเจ้าทําไมสะเก็ดเห็นที่พระเทวทัต ก, กลิ้งมากระทบเราก็พ้ของกรรมเก่าของพระองค์นะ แล้วก็หลายปวดเสียนอาเจียนมาเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดกระหายน้าหิวน้ำเป็นต้นนั่นก็เ็จเศษกรรมในอดีตที่เคยทำไว้สมัยที่ยังมีกิเลสอยู่กรรมเหล่านั้นก็ยังให้ผลเพราะถึงเป็นผ้ารหารแล้วอกุศลกรรมเหล่านั้นก็ยังก็ยังตามมาให้ผลแต่ว่าหลังจากเป็นผ้ารหารกรรมมหากริยาทั้งหลายก็ไม่ให้ผลบุญบาปที่จะนาเกิดในภพใหม่ไม่ได้มี บทว่าอมะมะสาความว่าภาหารห น, นี้ไม่มีการยึดถือว่าเป็นของเรา น, นะไม่มีการยึดถือว่าเป็นของเราในอารมณ์ไหนๆเลยก็อะไรก็ตามที่บอกว่าสิ่งนั้นคือความเลวร้ายเนี่ยเราอยากบอกไหมว่าสิ่งนั้นคือของเราเอาไห ม, ไมนะก็คิดดูเนี่ยนะระอะไรก็ตามที่มันหลุดจากร่างกายของเราที่เป็นอาการ32เราไม่แทบไนมะ่อยากพูดเลยว่าเป็นของเราทําไม ผ้าหันท่านมองว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเท่ากันทั้งหมดเมื่อมีค่าเท่ากันเนี่ยท่านมีปัญญามากท่านเห็นความที่สิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความทุกขโดยประการทั้งปวงเมื่อท่านเห็นว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความทุกท่านไม่ยึดถือในอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของเราเพราะไม่มีมามังการมามังการในความว่าของเรา ท่านไม่มีความสำคัญว่าเป็นของเราท่านไม่คิดนะว่าเอ orf, กายที่เจ็บปวดอยู่นั่นนะ่ะเป็นของเรา <c oughs> mm. เมื่อไม่คิดว่ากายที่เจ็บปวดเป็นของเรา mm. ก็เลยไม่รู้จะไปหาหมอทำไมเนี่ยะก็เลยไม่ไม่สนใจว่าจะต้องหมอจะต้องดูแลหรือไม่ดูแลเพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไม่ได้คิดว่ากายนี่มันเป็นของเราเนี่ยนะมั น, นไม่เป็นของเราร่างกายของพราทหารก็เหมือนกับว่าตายยอดด้วนแล้วเนี่ยะก็รอแต่วันตายอย่างเดียวเหมนั้ น, น ที่ท่านทําได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะท่านข้ามโอคะสีได้แล้วไปตั้งอยู่บนบกคือพระนิพพานไม่มีการท่องเที่ยวไปในภพใหม่ด้วยอํานาจของจุติปฏิไม่ต้องปฏิสนธิที่เป็นเหตุให้จุติอีกแล้วเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้มีสรีระเป็นที่สุดมีร่างกายสุดท้ายมีร่างกายเป็นที่สุด ไม่เหมือนกับพระเสขาและปุตุชนใช่ไหมจะต้องจุติปฏิสนธิจิจุติแล้วก็ปฏิสนธิปฏิสนธิแล้วก็จุติปฏิสนธิวน อ, อยู่นั่นแหละเพราะอย่างละกิเลสและอภิสังขารคือกรรมไม่ได้ น, นะเพราะฉะนั้นห่วงน้ําคือกิเลสก็พาดไปไปเรื่อยจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งวนะ่าน้ําตาจึงมากกว่าน้ําทะเลอย่างเง้ยนะแต่พระหัน์ไม่เป็นอย่างนั้นท่านตั้งอยู่แล้วบนบกคือมีนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงไม่ไม่ไมนิพพานไม่ใช่ธรรมที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิไม่เหมือนอารมณ์ทั่วไปอารมณ์ที่ทั่วไปเป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิส่วนพระนิพพานเป็นที่ดับจุติและปฏิสนธิถ้าแทงตลอดพระนิพพานเรียกว่าก้าวล่วงชราและมรณะก้าวล่วงชาติชราและมรณะอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์คือผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมสิประการกล่าวคือคุณธรรมของพระขีณาสพ ตาที่โนเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยฤทธิ์หประการนะอริยฤทธิ์นะอริยฤทธิ์5ประการเช่ น, นะนะนสิ่งที่เป็นปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ปฏิกูลสิ่งที่เป็นไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าปฏิกูลทั้งปฏิกูลไม่ปฏิกูลท่านว่าไม่ปฏิกูลทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลท่านบอกว่าไม่ปฏิกูลหรือดํารงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ น, นะด้วยอํานาจฉลังคู่เปกขาไม่หวนไว้ในโลกธรรมทั้งแด เพราะเป็นผู้คงที่เป็นเช่นเดียวกันว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนาะไม่น่าปรารถนาะท่านบอกว่ามันเท่ากันเหมือนอย่างว่าอาหารบูดกับอาหารที่ปรุงสำเร็จใหม่ๆมันต่างกันยังไงพระอาารท่านบอกว่าท่านก็มองว่าอาหารที่มันบูดมันก็คือเคยเป็นอาหารที่สมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นหอมถ้ามองเห็นอาหารที่มีสีกลิ่นหอมท่านก็มองเลยไปจนถึงอาหารบูดนั่นเอ มองดอกไม้ตอนบานกับตอนเฉาก็มองเห็นเฉาก็นึกถึงบานได้มองเห็นตอนบานก็นึกถึงเฉาได้มันมองเห็นเด็กก็นึกถึงตายแก่ตายได้มองเห็นแก่ตายก็ย้อนกลับมาหาเด็กได้มองเห็นเด็กก็ย้อนไปหาแก่หาตายได้ก็เห็นว่ามันท่าเท่ากันมันไม่ได้ต่างกันแต่ว่ารออีกระยะหนึ่งแค่นั้นเองเมื่อท่านมองได้อย่างตลอดสายและมองได้ทุกแง่มุมอย่างนี้ท่านจะไปหนักใจทาไมไงท่านนั้นก็ท่านเลยสามารถดํารงอยู่ด้วยอํานาจของสติและสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นอัตินติชนังละเปตะเวแปลว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดกับชนว่าท่านทั้งหลายจงปรุงเพศัตวให้แก่เราช่วยทำยาให้หน่อยนะเพราะอะไรเพราะท่านไม่มีความอะไรในร่างกายที่ท่านดำรงอยู่เพื่อสงเคราะห์สัตว์เท่านั้นเนี่ยนะจริงอยู่อัธยาศาัยของพระขีณาสพเนี่ยมีว่ากายนี้จงแตกไปเองทีเดียวเหมือนใบไม้เหลืองหล่นจากขั้วโอยเมอไห่จะ อะไรนะพูดแบบภาษาเมือ่อไหรตายตายสักทีอย่า น, นีของเราก็พูดเมื่อไร่ตายตายสักทีเมือ่อไหรก็เกิดเกิดใหม่สักทีอย่างนี้นของเรากรา็ถ้าตายก็เกิดนี่มันอยู่ใกล้กันนะถ้ า, าบอกเออตายตายสก็ได้ก็ดีแสดงว่าเกิดใหม่ก็ได้ก็ดีนีแต่ของพระอรหันต์นี่ไม่เกิดใหม่แล้วเนี่ยนะอันพระอรหันต์ท่านจึงท่านจึงบอกว่าเราไม่หวังความตายไม่อะไรในความเป็นอยู่ คือหมายความว่าไม่ใช่โอ้อยากตายอยากตายอยากตายด้วยแบบคนเคยเคยเห็นคนที่อยากตายอยากฆ่าตัวตายไม่ไม่ไ ม, ไม่อยากตายแบบนั้นแต่ก็ไม่อาลัยอาวร์ขอให้เป็นอยู่ตลอดไปแต่รอเวลาตายเหมือนลูกจ้างรอรับค่าจ้างทำงานเสร็จแล้วก็รอรับค่าจ้างอ่ะนะก็สบายนะเพราะทำงานเสร็จแล้วนะกิจ16กิจคืองาน16กิจในะอริยศาสตร์4ท่านทำเสร็จแล้วก็รอรอรับค่าจ้างเพราะ ความตายเนี่ยคือรางวัลของท่าน น, นะนะรางวัลเพราะนั้นใครที่บอกว่าตัวรู้ว่าตัวเองจะตายอีกสามเดือนจะตายดีใจเนี่ยใครพระพุทธเจ้าดีใจมากเลยนะอุทานโอ้เสียงดังสนั่นเดี๋ยวข้างหน้าจะมีรู้ว่าตัวเองจะตายแผ่นดินเนี่ยวันไหวไปหมดเลยดีใจที่ตัวเองจะตาย น, นะนะแต่ว่าคนทั่วๆไปนี่ได้ข่าวว่ารู้ตัวว่าจะตายเนี่ยโอ้โหกลัวมากเลยนะบางคนนี่บอกว่าตัวเองเนี่ยจะถูกประหารเนี่ยปัสสาวะร่วงเลยไข้ขึ้นเลยนะ พระขีณาสพนี้ไม่มีความต้องการเพื่อจะแสดงนิมิตยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กล่าวกับชนว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรเือคือไม่ได้แสดงกิริยาอาการเพื่อจะให้อะไรเพื่อให้คนอื่นเขาเชื่อเชิญด้วยปัจจัยนะแสดงกิริยาอาการกระสรับกระส่ายแสดงความกวนกไวยเขาจะได้ถามว่าท่านเป็นอะไรท่านอันตามาไม่สบายออแล้วเขาจะได้หายามมาให้เป็นต้นเนี่ยนะท่านกิริยาอาการลักษณะเช่นนั้นไม่มี ที่เป็นลักษณะกิริยาอาการเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงมีชั้นเชิงอะไรไม่มีโดยประการทั้งปวงเขาเรียกว่าเป็นคนตรงที่สุดในคนตรงทั้งหลายเป็นผู้ที่ตรงจริงๆตรงแต่ไม่โง่นะคนบางคนเนี่ยซื่อมากแต่โง่อันนี้ไม่ไม่ใช่อ่ะนะท้าทายเนี่ยเป็นอูชูซูฮชุเป็นคนตรงซื่อตรงแล้วก็แต่ก็อ่อนโยนเนี่ยนะอ่อนโยนแต่ก็มีปัญญาเนี่ยนิปโกเป็นผู้ที่มีปัญญา มีศาธกะสัมปัญญามีโคจระสัมปัญญาส ป, ปายะสัมปัญญาและอะสัมโมหะสัมปัญญาเยกทานบัณฑิตเยก่การใช้ชีวิตมองเห็นทางทางไปในภูมิสามมองเห็นทางแห่งพระนิพานรู้ความเจริญรู้ความเสื่อมรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกอย่างโดยประการทั้งปวงแต่ซื่อตรงเนี่ยนะแต่ก็อ่อนโยนเนี่ยนะ น, น, น้ำใจไม่แข็งกระด้างแต่ก็อย่างว่านะเราก็ปฏิบัติสักวันหนึ่งอาจจะถึงแบบนั้นบ้างนะ ก็เรียนเรื่องพระอรหันต์ก็เพื่อจะได้ซ่องเสพอัธยาสาัยว่ากุศลที่เราเรียนไปศึกษาไปปฏิบัติไปก็จงเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งความเป็นพระอรหันต์เพราะถ้าตรัสรู้คุณธรรมของพระอรหันต์ก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ตอนนี้ก็ได้นับถือบูชาผู้ที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์ที่เป็นพระอรหันต์นะบุญกุศลที่เรียนเหล่านี้ก็จงเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งอริยคุณเหล่านั้นทั่วกัน ช่งชวงเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน